นนะยังไม่เทสวนะันนี้จะให้ปัญญาตุ้นเทศกันมาถามกันเมื่อกี้เอายอ้อนมื่อกี้นะประมาณหนึ่งสองนาทีที่ผ่านมาที่เราไปแผ่เมตตาเป็นไงบ้างแผ่แบบนี้บ้างไหมคือแผ่ไม่ออกเลยหรอ ที่เรารักอยู่แล้วเนาะเข่มรุ่หรือว่าพ่อแม่หรือว่าเพื่อนที่เรารักเรามีความปรารถนาดีให้กับเขาเนี่โอ้แย่เท่าไหร่ก็แก่ได้ทําไงก็ทําได้แต่ถ้าแต่กับคนที่ไม่ค่อยชอบหน้าหรือว่าเคยทําไม่ดีกับเรานี่บางทีแค่คิดก็รือสึกยังไงคิดแล้วรู้สึยังแค่คิด เห็นหน้าเขาในสมองนะในความคิดก็หมุนหิดแล้วก็มีนะไม่ทันได้เห็นหน้าจริงๆนะเราก็เห็นนะบางทีหรือว่ามีใครแผ่ได้นะแผ่ได้เป็นปกติไหมนะมีโปรีอยู่บ้างเนานะบางทีก็ลืๆ ห, หน้าเข้าไปก็แผ่ไปมาสนใจฟางแผ่เมตาแต่ก็ ให้เราลองฝึกแบบนี้ดูบ้างนะเพราะว่ามีหลายคนนะบางทีเราก็เป็นคนปฏิบาาัติธรรมสนใจธรรมะแต่บางทีเราไม่ค่อยปล่อยวางนะสิ่งที่เขาเคยกระทํากิดต่อเราหรือว่าหรือว่าเราเคยติข้างคาใจต่อเขานาะเราก็เก็บไว้ในใจของเราเสมอพอเวลาคิดเมื่อไหร่เราก็ทุกเมื่อนั้นนะทั้าท้งที่มันก็เป็นอดีต ที่ที่เขาเคยว่าเราก็1ิบปีใช่แล้ว น, น, น, น, นะสมณะหรือบางทีอาจจะอาจจะแม้เมื่อวานนี้นะแต่จริงมันก็เป็นเมื่อวานมันก็เป็นอดีตไปแล้วแต่ถ้าเราเก็บไว้ในใจนะแล้วก็พิ้งอะไรก็ทุบลองลองทำแบบนี้ดูบ้างจิตใจของเราจะจะเกิดความเรียกว่าโภสะที่เราเคยสะสมมันก็จะจางหารไปนะแล้วก็จิตใจเราก็เมตตาในที่ จ, จ, จริง การที่เรามีเมตตากับคนที่เรารักมันก็สามารถทาได้ง่ายนะทำได้ง่ายแต่การที่เราจะมีเมตตากับคนที่เขาเกลียดหรือก็าหรือว่าขวายเกลียดเราหรือป่าเราก็ไม่ดูนะแต่เราอาจจะมีความไม่ชอบเขานะหรือว่ามีความโกรธเขาการทาเช่นนี้อาจจะทําทได้ยากแต่มาว่าก็เป็นสิ่งที่เราควรที่จะฝึกนะคนที่จะฝึกเพราะว่าถ้าเราฝึกตรงนี้ได้ต่อไปในการปฏิบัติธรรม บางทีมันจะเห็นสิ่งที่มันไม่ดีในจิตใจของเราอีกหลายอย่างเราจะรู้สึกว่าไอ้ที่มันไม่ดีในในจิตใจที่เราหมักหมมวไว้มันมีอือนกันบางทีเราจะให้ใครตัวเองไม่ได้เลย ท, ทำทําไมเราปฏิบัติ ด, ดีมาถึงเราก็เป็นบัตรขนานี้เราก็ถือว่าเป็นคนดีคนนึงในสังคมแต่ทําไมเราถึงคิดชั่วถึงคิดไม่ดีบางทีบางทีบางคนก็รู้สึกนะบางทีรู้สึกไม่ทําไมเราก็ ตรวจะไหว้พระทำหมูตัดบาตรจป็นจังแต่บางคนก็คิดต้องดูผสมฆ์นะแค่เห็นพระสงฆ์ก็รู้สึกว่าเอ๊เกิดเกิดความสงสัยว่าท่านปฏิบัติดีหรือเปล่าบางคนก็เกิดความคิดว่าพระพุทธเจ้ามีจริงไหมคำสั่งสอนพระธรรมคำสอนเนี่ยมันมีผิดเพียปป้ยนไดหรือเปล่าแปลถูกหรือเปล่าเกิดจำมาคิดหรือเปล่าคือบางคนก็คิดตำหนิกว่าในพละสนธิ แต่บางครั้งก็ศรัทธาบางครั้งก็เกิดความสงสัยแล้วเราก็เก็บไม่ใช่ใจว่าเอ๊เราน่าจะเป็นคนไม่ดีเป็นคนที่ปิดเลี้ยนไปนะมีมีบุคคลแบบนี้หลายคนอยู่เหมือนกันนะที่ที่บทีความคิดแว บ, บขึ้นมาเกิดความสงสัยหรือว่าเกิดความไม่ชอบแม้แต่ที่ที่เป็นคุณงามความดีนะที่คนทั่วไปเขา<ไ>กา็ศรัทธาแต่บางทีเราก็เกิดความสงสัยหรือว่าความลังเลใจไม่ได้อันนี้ก็ ก็เป็นความคิดในจิตของเราเองซึ่งอันนี้ก็เป็นเป็นขั้นต่อไปที่เรา จ, จะต้องเรียกว่ารู้เท่าทาันจิตใจแล้วก็ฝึกการปล่อยวางต่ออารมณ์หรือว่าความคิดของเราด้วยเนาะแต่ในท่านในเบื้องต้นก็ที่นําพาคือการแผ่มเมตตานะลองฝึกแบบนี้ดีกว่จิตใจเลยมีเมตตาให้กับทุกคนทุกสัตว์ทุกชาติทุกภาษ า, านะรวมทั้ง เมตตาเหล่ี้จริงๆนะมันจะเป็นเมตตาที่ย้อนเข้ามาหาจิตใจเราให้เกิดความผ่อมโยนอย่างที่เราได้สวดมนตไปว่าการจเจริญเ ม, มตตานี้มีอ น, มนิสงส์เทศประการนะเป็นอย่างน้อยนะภัยสงสีประการนี้เราสามารถทำได้แตกันที่เราไม่ใช่แค่การแผ่เมตตาโ ด, โดยการกล่าววาจาเท่านั้นนะ่ะแต่ทำอย่างไรจิตใจเราถึงมีเมตตาแบบนั้นได้อยู่เสมออันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราสามารถติกได้นะ เมตตาขณะที่เราตก็รู้แหละว่าเราเป็นคนโทสะเจริญนี่แหละนะแต่เราก็พอเรารู้ทันอารมณ์ความคิดของเราแล้วเราก็จะเป็นคนที่เรียกว่าวางความความโกรธวางความโมโหวางความคิดไม่ดีต่างๆนะั้นไปได้เร็วคือการที่เราคปอยๆฝึกตรงนี้แหลงนะมีมีแบบนี้หลายคนมาเชื่อว่าก็คงมีมีกันทุกคนหรือไทยพอให้คิด คิดไม่ออกเลยมีไหมไข่มากแต่มาคิดว่าส่วนใหญ่แบกแรกนี่จะจะขึ้นมาก่อนเลยในชะ่ไหมถึงใครคสักคนส่วนใหญ่ก็เป็นคนใข่ไข่ตัวเนี่ยหละนะนะนะนะจะคิดได้ก่อนเลยหนึ่งคนจำนวนคนก็จะมากคนนั้นนะก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรถือว่าเป็นขั้นที่เราจะต้องฝึกกันต่อไปเรื่อนๆเนอะเดี๋ยวนี้นินมนต์อาจารย์ตุ้นนะแสะดงธรรม ปิบัติรรมกการปฏิบัติธรรมนั่นจะมีสาระสำทัญตรงที่พระอาจารย์บอกนะเราจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนเปลี่ยนสิ่งที่เคยเคยไม่ดีนะให้กลายเป็นสิ่งที่ดีตรงนี้นก็คือสิ่งที่ ที่สำคัญที่สุดก็คือการปฏิบัติธรรมจะนาเราไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าตรงนี้ก็เป็นถึงว่าเป็นหัวใจหลักๆ <ừ. S 1> คือชีวิตเราก็จะมีเรียกว่ามีความเคยชินเนาะมีความเคยชินในการที่จะชินเป็นทุก <c ười> มีความเคยชินที่จะแบบว่าชอบเนาะชอบ ที่จะทำให้ตัวเองถูกตรงนี้ก็เราเราก็ก็เรียกว่าเป็นความเคยชินหลังหาแล้วก็อย่างที่สำคัญที่สุดคือในการคิดเล็กคิดน้อยของเราตรงนี้ <ừ. S 1> ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้นำ ม, มาซึ่งความทุกข์ใจในตัวเราหรือความคิดเนาะก็จะเกิจดจากใจที่ไม่ชอบต่ตตางๆเวลาที่เรามองไปตามสิ่งรอบตัวต่างๆ นะตรงนี้ก็เป็นสิ่งเป็นสิ่งที่เป็นหลักหลักการที่เร า, าหักเราหัดเปลี่ยนหัดเปลี่ยนแปลงตัวเองตรงเนี้ยเพราะว่าเราอาจจะมองเห็นนะว่าเออเรามีชีวิตที่แบบ ว, ว่าทุกข์ยากคําว่าทุกข์ยากมันก็ไม่หมายถึงว่าลำ บ, บากนะไม่ได้ลำ บ, บากลำพองทางกายแต่คำว่าเป็นทุกข์ยากหมายถึงว่าเป็นทุกข์ที่เรามีอยู่ในใจเรา การที่เราอยู่ในสังคมนะบางทีเราก็อยู่กับสังคมอย่างที่เราแบเาเรียแกบบว่าปั้นหน้านะปั้นหน้าพอปั้นหน้าแล้วก็แอ บ, บคนอื่นเอาไว้แบบว่าข้างในเราเป็นอีกอย่างหนึ่งข้างนอกเราเป็นอีกอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยจะไม่ใช่แค่นั้คือในรูปแบบก็าอาจจะเป็นดีอยู่นะแต่ว่าในใจเราเริ่มอึดอันึ่งไปหมดจะไม่ใช่แค่นั้ น, นตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เราเองเราก็อาจจะ ปกปิดคนอื่นได้มิดอยู่แต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือในใจเรานะะในใจเราที่ไปถือเอาไว้นะครับถือนุ่นถื อ, อ, นะะถอนี่ต่างๆตรงนี้จะเป็นสิ่งที่นี่คือเป็นสิ่งที่เป็นพวกที่เราสร้างขึ้นมาเองแล้วก็พวกตรงนี้อาจจะไม่มีใครรู้เลยนะรัและนั่นคือตรงนี้เนี้ยหนึ่งเมื่อพวกเราสร้างขึ้นมาเองแล้วเนี่ยเราจะปลอดพวกออกไปได้อย่างไรเราก็ต้องปลดด้วยตัวเองตรงนี้ เป็นสิ่งสำคัญแลวก็ทุกที่ประจำอยู่กับตัวเราก็ไม่ได้อยู่ตรงไหนมากไปกว่าอยู่ตรงใจนี่แหบบละนะ้ะเพราะฉะนั้นก็อยู่ตรงนี้ว่การที่เราปฏิบัติธรรมกันเราก็ทำงานกับตรงนี้หละนะฮะทำงานกับจิตเราตรงนี้ทำงานกับสิ่งที่เป็นความคิดของเรานะคิดได้คิดน้อยต่างๆนานเหล่านี้ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่โชคดีว่าในทางสายเราเนี่ยนะ หลวงพ่อเทียนก็ได้เหมือนกับระบุเอาไว้นะครับว่าต้นเหตุของทุกเนี่ยอยู่ตรงความคิดนี่แหละนะอย่าง น, นี้เพราะฉะนั้นนี่คือถ้าหากเราหัดเราหัดวางน ะ, ะหัดวางความคิดตรเนี้นะเขาเรียกว่าตรงนี้นะเราก็เขาเรียกว่าเราหัดที่จะละนะละถึกตรงนี้เราจะเป็นสิ่งที่เรียกเป็นสิ่งที่หลวงพ่อเทียนเองก็ได้เขาเรียกว่ากำหนับ วิธีการปฏิบัติธรรมขึ้นมานด้วยอาการที่เรียกว่าอาการการเคลื่อนไหว ง, ง่ายๆนั้นซ้อมกับกำกับคําปฏิบัติธรรมลงไปเลยนะว่าให้เราเนี่ยอาศัยการเคลื่อนไหวของรราของกายเราเนี่ยว่าอาใจมาคอยหลับลืมนะสร้างความเคลื่อนไหวขึ้นมานสร้างการเคลื่อนไหวของร่างกายขึ้นมาหรือว่าเอาใจมาคอยหลับลืมตรงนี้เนี่ย ก็คือเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นหัวใจนะหัวใจของกรรมฐานในทางสายลมพลาเทียนวิธีการก็คือเอาใจมาคอยรับรู้การเคลื่อนไหวของร่างกายเอาใจมาคอยรับรู้การเคลื่อนไหวของร่างกายตรงเนี้จะเป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมนะเปลี่ยนพฤติกรรมของใจเราเนาะที่เราคอยที่จะไปเหมือนกับเป็นยุ่งกับความคิดเนานะเราคนเมืองเราก็จะมีลักษณะ ชางคิดแล้วเราก็เชื่อความคิดของเราแล้วเราก็ไต่ฟองตบทวนกันอยู่ในกระบวนการของความคิดทั้งหมดคิดเอาว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นคิดเอาว่าคนนี้เป็นอย่างนี้คิดเอาว่าไอ้นู่นไอ้นี่ตางนานาแบบนี้หาคําตอบจากความคิดนะฮะแล้วก็ตบทวนกันวนเพียนกันอยู่ตรงนั้นนั่นก็คือตรงเนี้ยจิตเราก็ชอบที่จะเข้าไปยุ่งกับความคิดนี้มาบ่างเนื่องจากเราก็ทําเป็นนิสัย ฉันคิดเป็นนิสยยัยคิดได้คิดนอ้อยเป็นนิสัยอยู่จิตรเราก็เขาเรียกว่าไปเกาะเกี่ยวกับความคิดตรงนั้นก็ติดมันเรียกว่าติดที่จะไปอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าหากว่าพอเราเริ่มกรรมาฐานอย่างน้ำะเทียนปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มเป็อย่างที่บอกว่าเออเราลองรู้ซิว่าเราเนาะเราทํามานรียรู้เนี่ยจิตมารับรู้การเคลื่อนไหวของกายเนาะลองลอง มาร ie ับรู้ความเคลื่อนไหวของการและที่สำคัญก็คือถ้าหากว่าเราทํำบ่อยๆทำบ่อยๆตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นนิสัยใหม่นะเมื่อก่อนนี้เราเองเราก็ให้ท้ายจิตเนาะเพราะว่าให้เข้าไปอยู่กับความคิดแล้วเราก็คิดนู่นคิดนี่เพิ่มเติมขึ้นมามีคําตอบมีคําสรุปมีอะไรตานานาเหล่านี้ดีไม่ดีก็อยู่ตรงนั้น ตรงนั้นก็เราทํากันมานานิสัยนี้เป็นนิสัยก็เรียกว่าเป็นนิสัยที่หาทุกสายตัวนะเราทํากันมาคนหนึ่งหลายๆลาสิบปีนั่นก็คือตรงเนี้ว่าพอกรรมาฐานก็าเพียนเนี่ยก็เรียกว่าเป็นกรรมฐานที่เราลองเอาใจเนี่ยกลับมาอยู่การเคลื่อนไหวของการดูเราเอาใจกลับมาอยู่การเคลื่อนไหวของการดูตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นไม้ตาจริงป่นื่องเป็นไม้ตา เป็นสิ่งที่แบบว่าช่วยให้จิตเราเนี่ยได้กลับมาจากความชินเนี่ยง่ายมากๆเพราะว่าเรามีความเคลื่อนไหวเนี่ยทั้งวันเนี่ความเคลื่อนไหวที่ตั้งแต่ตื่นจนหลับนว่าเราเริ่มจนเราเริ่มตื่นก็เริ่มกระดุกกระดิเริ่มมีความเคลื่อนไหวของร่างกายไม่ว่าจะเป็นกระพริบตาไม่ว่าจะเป็นหายใจไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวของแขนขาลําตัวต่างๆเยอะแยะหมดเลยเนี่ยตรงนี้ก็คือสิ่งที่ ต, ตั้งแต่ตื่นจนหลับอีกครั้งนึงเนี่ยเรามีความเคลื่อนไหวตรงนี้ทั้งหมนแต่ว่าเราไม่ได้เอาความเคลื่อนไหวตรงนี้มาเป็นประโยชน์เพราะเราเองเราก็เหมือนกับเคลื่อนไหวทีๆไปทั้งวันเะนาะกิงข้าวบ้างนะอาบน้าบ้างแปรงฟันบ้า ง, างต่างๆทํางานทําการเราก็ปล่อยให้ความเคลื่อนไหวตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นก็เรียกว่าเป็นความเคลื่อนไหวแบบเป ล, ปลา่าๆเหนื่อยเปเปลา่าๆหมด ม, มันไปเปลาๆ หลวงพ่อเทียนเนี่ยบอกว่าเราลอาความเคลื่อนไหวตรงนี้มาใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติธรามกันเราองเาความคลื่อนไหวตรนี้มาเป็นประโยชในการเจริญสติกันตัวความรู้สึกตัวที่หลวงพเทียนก็ชูขึ้นมาเป็นอันดับแรกก็คือรู้สึกได้ไหมรู้สึกไดไหมว่ากายกำลังเคลื่อนไหวอยู่รู้สึกได้ไหมว่าใจกำมาอยู่กับการเคลื่อนมหวของกายอยู่ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ยา เป็นความรู้สึกที่เรียกว่าใช้สิ่งที่เป็นที่เรามีอยู่แล้วนะแล้วก็เป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดเลยนะตรงนี้เป็นสิ่งที่ง่ายจนกระทั่งเราก็ต้องคิดอีกนะว่าเอ็นใช่หรือเปล่าก็ังเลยสงสัยตัวหนึ่งว่าเอ๊ะใช่หรือเปล่าอย่างงี้เรียกความรู้สึกรุนแรงทั้งทั้งที่ความรู้สึกล้อมความรู้สึกหนาวนะรู้สึกเค็มรู้สึกเผ็ดนะรู้สึกได้ถึงสัมผัสต่างๆ่างเราก็รู้สึกอยู่ละละแต่หมอบอกว่า เราเอาความรู้สึกตัวเนี่ยมาใช้เป็นหลักของเรื่องของกรรมฐานดูตรงเนี้ น, าา น, น, นะเราก็เริ่มเริ่มคิดสงสัยขึ้นมาทันทีตรงเนี้ยพอเราเริ่มคิดสงสัยขึ้นมาเนาะใจก็ไปอยู่กับความคิดไปหาคำตอบเนาะตรงนั้นใจที่จะมาอยู่กับเคลื่อนไหม่ของกายก็ไม่ไม่อยู่เพราะกรรมเส็จงทีเคยถามอยู่เนาะบอกว่าเออเนี่ยพวกเราเนาะพวกเร า, เราคนที่เคยปฏิบัติตามทางของกรรมเสียงเนี่ยจะพบว่า เราจะมีรูปแบบเรียกว่า14จังหวะนะก็คือมีการอาศัยการเคลื่อนไหวของมือนะเริ่มต้นที่ทํามือวางไม่ตรงเข่าใช่ไหมอย่างเงี้ยหรือว่าจริงๆถามว่าเอ้าตอนนี้มือเราอยู่ตรงไหนอยงเีมือเราอยู่ตรงเข่าเข้ามานนั่นแหละรู้สึกแล้วละเจอแล้วรู้สึกได้แล้วนี่คือความรู้สึกรู้สึกที่ไม่มีใครหลอกเราได้จะบอกบอกม า, ามือเราไม่ได้อยู่ตรงข่าก็ามไม่ใช่อะไรอย่างเงี้นยนะตรงนี้นก็คือสิ่งที่เรียกว่าความรู้สึก เบื้องต้นมีความรู้สึกซื่อๆความรู้สึกตรงๆไม่ต้องคิดหาไม่ต้องทุกทวนอะไรต่า ง, ตงๆตรงนี้เป็นความรู้สึกที่ถูกแล้วละใช่แล้ ว, ล, วละเราใช้ความรู้สึกแบบนี้แหละเนาะในเมื่อเรารู้สึกแบบนี้ใจเราเนาะก็จะมาอยู่กับกายทันทีโดยที่ใจเราก็จะไม่ไปเป็นกอะเจียวอยู่ความคิดแล้วก็ทํานองเดียวกันเนะี่ยในขณะที่เรากำลังเราเรียกว่าอยู่กับรูปแบบของการปฏิบัติเนาะที่จะเรียกว่าหลวงพ่อต้งเขียจะรกว่าเป็นสูตร การปฏิบัติแบบนี้นะก็จะเป็นการปฏิ บ, บ, บัติที่จะช่วยให้เราเหมือนกับท่องสูตรครูณและรบคูณหารได้ง่ายขึ้นอย่างเงี้ยตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่รลบคูณหารก็ได้นะนับนิ้วเอาก็ได้นิ้วมือไม่พอก็นิ้วเท้าก็ได้อะไรเงี้ยก็เราก็มีเครื่องช่วยอยู่นะอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราท่องสูตรครูปุ๊บเนี่ยเนาะนิ้วมือนิ้วเท้าก็อาจจะไม่ต้องใช้เพราะมันมีสูตรอยู่ในความทรงจําของเราตรงเนีนนน้การปฏิบัติทำในทางหรือว่าเทียนก็เหมือนกัน การมีสูตรการมีสูตรที่ไล่นมากการสร้างจังหวะสิ่งจังหวะตรงเนี้ยก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยเหมือนกับปึ๊บเนาะปึ๊บที่จะให้จิตเนี่ยคุ้นเคยที่จะกลับมาอยู่กับการปึ๊บที่จะให้จิตเนี่ยกลับมารุ้เท่อยู่กับการจัดการที่เรามีนิสัยเนาะที่จะคอยไปเกาะอยู่กับความคิดตรงนี้ยตรงนั้นก็จะกลับมาจิตก็จะได้กลับมา ผ่านจะหม่าเป็นครัง้งๆนวะินาทีละครัง้งวินาทีละครัง้งปรากฏว่าวิธีการแบบนี้เนี่ยเราจะปฏิบัติธรรมผ่านการเคลื่อนไหวเนี่ยได้ทุกวินาทีทุกวินาทีเนาะวันวันหนึ่งก็ได้หลายครั้งมากเพราะฉะนั้นคือตรงนี้จะเป็นสิ่งที่เรียกว่มมาเป็นผู้ทโธประการนะของพระเทียนที่ช่วยให้การปฏิบัติธรรมเนี่ยเราเนี่ยสามารถที่จะเห็นผลของการปฏิบัติธรรมเนี่ยได้อย่าง เรียกว่าได้อย่างงนน่ายๆได้ก็เรียกว่าในเวลาอันสั้นผลของการปฏิบัติธรรมคืออะไรผลก็คือการที่จิตเรากลับมาเป็นปกติจิตเรากลับมาเป็นปกติจะเกิดอะไรขึ้นก็คือเกิดความไม่ทุกข์ขึ้ น, นรตรงเนี้คือสิ่งที่สําคัญว่าคนนอกที่ปฏิบัติธรรมตามแนวหลวงพ่อเทีนเนยนพบว่าทุกที่เคยเกาะติดอยู่กับเราเนี่ย ติดไม่้จะไปไหนยังไงเนี่ยปรากฏว่าในช่วงเวลาที่เรารู้สึกตัวในช่วงเวลาที่เรารู้สึกตัวจะเป็นสั้นก็ดีจะเป็นยาวก็ดีเนี่ยจะหลับนั้นหลัจะเป็นทุกที่ลุกออกไปจากตัวเราก็เคยมีนะโยมผู้หญิงนะอยู่คนหนึ่งก็เพิ่งรู้ว่าสามีเนี่ยไปมีบ้านเมื่อคืนนึง บอกว่าไม่รู้ว่าเขามีมานานเท่าไหรแต่ว่าพอรู้ฟุ้งเนี่ยในเจ็ดวันเนี่ยก็ปรกฏว่าเขาเรียกว่าทั้งร่างกายทั้งจิตใจแล้วก็ย่ําแย่อย่างยี่งนะปรากฏว่าก็โชคดีว่ากเขาก็มาที่วัดเนยก็ได้มีกาสพูดคุยเขาก็พอก็พูดไปก็ร้องทห้ไปพูดไปก็ร้องไห้ไปก็ไม่ต้องเล่นว่า ลำบากมากเลยตอนนี้ว ah ่าลําบากมากเลยก็เลยว่าเอองั้ก็ไม่ไม่พูดไม่ถามอะไรแล้วนั้นเราก็มายกมือสั้นจังหวะกันีกว่าทําตามหลวงพ่อนะอย่างเงี้ยอย่างงี้ยทำตามหลวงพ่ออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งสนใจอย่างอื่นนะสนใจการยกมือสั้นจังหวะไปก็ปรากฏว่าก็ไม่ได้พูดอะไรอีกนะก็บอกให้ทำตามนะฮะทำตามก็ชี้มือขวาตะแคงขึ้นยกมือขึ้นนะฮะตามแนวทางหลวงพระเพียร ปรากฏว่าก็ทําไปสักระยะหนึ่งก็ประมาณสักนาทีสองนาทีเนี่ยก็เห็นหน้าตาเขาก็ดูดูแบบว่าทุกที่มันกาะใจอยู่ไม่เว้นสักมีนาทีนดงเนี่ยมันก็ผ่านแล้วก็มองเห็นผ่านหน้าตาที่ดีขึ้นเหมืองเขานะก็ถามว่าเมื่อกี้คิดอะไรไหมเขาบอกว่าไม่ได้คิดอะไรอย่างเงี้น ะ, ะไม่ได้คิดอะไร เราบอกว่าอนี่เด็น <cod> ม <'s> uh> ันอะไรอย่างนี้นะเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าเราคิดมาทั้งเจ็วันแล้วใช่ไหมอะไอย่างนี้นะคิดมาแบบได้คิดมากมาทั้งเจวันแล้วเนี่ยพอถึงตรงนี้นะเรามาปฏิบัติธรรมเพียงแค่ความรู้สึกตัวแค่ไม่กี่นาทีเพแป๊เท่านี้เองนะนะเนี่ยเราสังเกตได้ว่าในขณะที่เรากลับมารู้สึกตัวกลับมาสึกตัวตรงนี้เนี่ยความทุกข์เกาบเราอยู่เนี่ยตรงช่วงนั้นมันไม่มีนะอย่างนั้นนะ ก็เราก็ได้เห็นนะสายตาที่สดใสของเขานะมองเห็นความหวังลำลายในชีวิตเขาว่าเลยมันก็มีทางแนละที่จะไม่ผุกเหมือนกันตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่เนี่ยเราก็ได้เห็นคูประการแบบนี้ตลอดเวลานะฮะจากการที่เราแบบว่าปฏิบัติธรรมกันพาคนปฏิบัติธรรมกันจากจิตที่หมกมุ่นคุ้นคิดไม่รู้จักหาทางออกอย่างไรเนี่ยเราก็เห็นว่าในช่วงเวลาของการรู้สึกตัวตรงนั้นเนี่ย นะักณะนั้นเนี่ยเราพาทำนะมีคนอื่นผ่านทำแต่ถ้าหากว่าเราตั้งใจทำเนี่ยแล้วเราก็ค่อยๆค่อยๆพินะจารณาตามความเป็นจริงอย่างสมมุติถ้าว่าเราเคยนะให้คะแนนตัวเองว่าโอ้ยทุกทั้งวันทุกไม่มีจังหวะไม่มีหยุดอย่างเงี้ยนะอย่างเง้ยแต่พอเวลาที่เราปฏิบัติธรรมกันเนี่ยเรารู้สึกตัวเรารู้สึกตัวถึงแม้ว่าจะบอกว่าทําไม่เป็นทําไม่เป็นเนี่ยนะแต่จริงๆแล้วมันก็มีเป็นบ้างไม่เป็นบ้างนะ ในขณะที่เราเป็นบ้างไม่เป็นบ้างตรงนี้เราก็จะรับรู้ได้มาในขณะที่เรารู้สึกตัวรู้สึกตัวอยู่เตรงนี้เนี่ยจิตเราก็ไม่ทุกข์รู้สึกตัวรู้ึตัวจริงเราก็ไม่ทุกข์ตรงนี้เป็นสิ่งที่อยากให้นําปฏิบัติทำทุกคนคนที่สนใจที่จะเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองที่จะทำให้ตัวเองมีทุกข์น้อยลงตรงนี้เนี่ยที่เบื่อเต็มทีแล้วนะกับความคิดที่แบบว่าคิดนูนคิดนี่มุดไมยไปหมดเนาะ เราเนี่ยลองมาลองมารู้สึกตัวอาศัา ย, ายความรู้สึกตัวอาศัยความรู้สึกตัวตรงเนี้เนาะผ่านนะก็เรียกว่ารูปแบบของการปฏิบัติแบบที่หลวงพ่อเทียนได้มอบไว้ให้เนี่ยเราจะพบว่าตรงนี้เนี่ยใจรเราน้องก็จะมีที่พักใหม่ที่หนึ่งนะที่ไม่มีความทุกข์เนี่ยติดตามมาเราจะรู้จัดละวางความคิดเนี่ยตรงเนี้ได้แล้วก็ตรงนเนี้นะก็จะเป็นสิ่งที่เพียงแค่เราเนี่ย รู้สึกผ่านการเตลื่นไหวเนาะที่เราเรียกว่าสิ่จังหวะเนี่ยทําซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้าแล้วซ้ำอีกตรงนี้นะเราจะพบว่าเราจะมีความชํานาญมากขึ้นเนะนาะชํานาญที่จะกลับมาจากความคิดเนาะนูวงพ่เอเทียนกจะบอกมาลุ้คิดให้กลับมาก่อนรู้ว่าคิดให้กลับมาก่อ น, อนตรงนี้เนี่ยคําก็เรียกว่าคําสั่งอันนี้เนี่ยมันก็จะโปรแกรมนะอยู่ในความคิดคำนึนของเราพอไปหาเรารู้ตัวได้ว่า เราเผลอไปคิดรู้สึกตัวได้บ้างเราเผลอไปคิดแล้วแล้วก็กลับมารู้สึกตัวใหม่รู้สึกตัวได้บ้างเราเผลอไปคิดแล้วก็กลับมารู้สึกตัวกับการที่เคลื่อนไหใหม่ตรงนี้นาก็จะเป็นสิ่งที่เราก็จะพบว่าเราเขาก็รู้สึกตัวได้นะหนูก็เขียนจะถานอยู่นะเวลาที่หนูก็เขียนสอนปฏิบัติธรรมหนูก็จะถามว่ากลับมาเป็นไหมกลับมาให้แล้วหรือยังคว่ากลับมาก็คือกลับมาจากการหลงไปคิดนี่แหละ เราแบบมานรู้สึกตัวเนี่ยตรงนั้นนะจังหวะนั้นเนาะจิตเราก็จะเป็นอิสระจากความคิดจิตเราก็จะเป็นอิสระจากความคิดตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆว่าตรงนี้ก็เป็นจุดเริ่งต้นนะแต่พอเห็นว่าภเวลาที่เราทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆเราก็จะพบว่าอืในขานที่เรากําลังเนาะดูการที่เคล์ใหม่เนาะแล้วก็ดูใจที่คิดนึกเนี่ยตรงนี้เนี่ย ถ้าปรากฏว่า เ, ออเราก็จะมีการดูอยู่สองส่วนดูการส่วนหนึ่งดูใจส่วนหนึ่งตรงนี้เนี่ยในส่วนที่เคยผนวกกันเป็นหนึ่งเดียวเนาะเป็นเรื่องของก็เรียกว่าเป็นเรื่องของตัวเราเราไม่ได้เคยแยกจิตใจออกไปแยกส่วนร่างกายออกไปยตรงนี้น่ยก็จะปรากฏว่าเราก็จะค่อยๆเริ่มแยกนะความเป็นไปของกายหรือความเป็นไปของใจหลวงพ่อมเขียนก็จะพูดง่ายๆบอกว่า เวลาเรานั่งสร้างจังหวะใช่ไหมนั่งสร้างจังหวะีจังหวะเนี่ยก็จมีทางเลือกอันนึงก็คือทางเรื่องของการเดินจงกรงจะมีอิริยบถนั่งกับมีอิริยาบทยืนหลวงพรอทุ่มเจดก็จะบอกแบบว่าเราอย่าลุกถ้าอยากลุกอย่านั่งถ้าอยากนั่งเนี่ยหลวพ่อทุ่มเจดก็จะบอกอย่างนี้นะเพราะว่านั่นคือมันก็เป็นความชอบธรรมเนาะเรากำลังปฏิบัติทำอยู่นั่งอยู่เดียวเราอยากลุกก็ไม่เป็นไรเราก็ลุกขึ้นไปเดินจงกรง เดินจงกรมอยู่สองสามาอยากนั่งแต่ก็ไม่เห็นเป็นไรแล้วก็นั่งลงมาปฏิบัติธรรมกันยกมือสร้างจังหวะไปแต่ตรงนั้นหนูมั่นเจบอกว่ายันไม่ก่อนอยากลุกเดี๋ยวเพิ่งลุกน้ำอยากนั่งเดี๋ยวเพิ่งนั่งน้เงี้ยเพาไรเพราะว่านั่นคือเพราะว่าให้ยันสักนิดหนึ่งนะสติจะได้ทํางานเราจะได้รู้ว่าไอ้ฟ้าอยากลุกตรงนั้นหนะมันเป็นเพราะว่ากายเราอะจำเป็นต้องลุกหรือเปล่ากาว่าจะเป็นเครื่องลุกมากเหรือนพ่อเกษจะบอกบอกว่า ถ้าเรารู้ว่ากายทุกเนี่ยก็บัดเถาให้เขานะถ้าเรานั่งแล้วปวดเมื่อยแล้วใช่ไมหมอย่างนั้นนะดูพอเวลาพอสมควรเป็นเนืชาแน่ใจแล้วว่านี่เป็นเรื่องของกายที่ทุกเนี่ยเราก็ปรับเปลี่ยนให้เขาแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องของใจที่ทุกเราทนนั่งอยู่ไม่ไหวทนยืนอยู่ไม่ไหวอย่าง น, นี้ตรงนั้นนะเป็นสิ่งที่เราก็ต้องเขาเรียกว่ายอมไม่ได้นะจึงนั้นเรื่องการตามใจ อย่างเรื่องตามการตามใจกิเลสตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่เราอยอมไม่ได้เราก็ต้องฝืน ก, กันนั่นก็คือตรงนี้นะเราก็จะพบว่าเออที่เราปฏิบัติ ท, ทําไปมันมีก็เรียกว่าทุกข์ของกายกับทุกข์ของใจบางทีมันก็ปะปนกันอยู่บางทีอย่างพวกเราพุดลุกปุ้ดนั่งกันในชีวิตประจำวันเยนี้เราอาจจะไม่เคยได้ดูนะว่าการลุกครั้งนี้เนี่ยเป็นการลุกจากความต้องการของกายหรือว่าเป็นลุกจาก ความต้องการของใจงกันนั่นคือตรง น, นี้เราก็จะค่อยๆเรียนรูนะ้เนาะทุกของกายทุกของใจงค่อยๆแยกออกจากกันทุกของกายเนี่ยก็เป็นเรื่องที่บรรเทาได้เนาะบรรเทาได้เองด้วยการปรับเปลี่ยนเบียบทหรือว่าจะไปหาหมอหาหมออะไรยังไงก็ตามตรงนี้นก็เป็นเรื่องของการบรรเทาทุกของกายแต่เรื่องทุกของใจงเนี่ยเราจะต้องตึกกันพอตึกกันแล้วเราก็จะมีความอดทนเนาะมีความอดทนมากขึ้นเนะเราก็จะรู้สึกรู้ส ก็เรียกว่าปลุกใจกันแปลว่าไม่เป็นธาตุของความหยาดตรงเนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราค่อยๆเรียนรู้ผ่านการยกมือสร้างจังหวะเฉยๆการเดินจงกรมเฉยๆที่ตรงนี้แหละตรงเนี้เป็นสิ่งที่พวกเราเองเนี่ยจะเอาเข้าไปก็เรยกาผนวกกับชีวิตประจาวันของเรางา่ายๆชีวิตประจาวันของเราเนะาะทำของซ้ําๆอยู่นะทำ ง, งานซ้ํำๆอยู่ก็เบื่อทํา ง, งานบ้านอยู่ซ้ําๆไปทุกวันก็เบื่อ เราเองเราเบื days, to to And, uh, ่อเรื mm ่องอะไรกเริ่องจากว่าเราไม่ได้ถนกเอการปฏิบัติธรรมเนี่ยเข้าไปกับการทํางานตัดตันแต่ถ้าหากว่าเมื่อไหร่เนี่ยพวกเราเนี่ยเริ่มเอาการปฏิบัติธรรมเข้าไปถนโอ้กอยู่ในการทํางานเนี่ยเราจะพบว่าตรงนั้นอ่ะเราจะเห็นจิตใจเนาะที่มันไม่เคยเหมือนเดิมผ่านรูปแบบการทํางานเหมือนเหมือนเดิมตรงเนี้ยมันก็จะกลับกายเป็นสิ่งที่เราเคยเบื่อกัน เคยหมดเวลาเป็เปล่าเคยนั่งเบื่อนั่งเซ็งกันกับการทํางนานเนี่ยเราก็กลับมาเห็นว่าเอ้ยเรากลับได้เห็นนะธรรมชาติของการเราได้เห็นธรรมชาติของใจผ่านเรื่องราวที่เราเคยเบื่อเคยอยากมาตานานแนะตรงเนี้ยมันก็ทําให้เราได้เริ่มนะก็เลยว่าได้เริ่มเอาธรรมะเนี่ยเข้ามาใช้กับชีวิตประจําวันเรามีรูปแบบเรามีเน้ารูปแบบ เราได้นึกถึงสติได้นึกถึงความรู้สึกตัวเนาะได้นึกถึงความทุกข์ของกายได้นึกถึงความทุกข์ของใจเราได้เห็นความเป็นไปของมันเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปต่างๆนตรงเนี้นะก็เป็นสิ่งที่จากการที่เราทําอะไรซ้ำๆทําอะไรซ้าๆเนาะจะเป็นการทําซ้ำๆผ่านรูปแบบการปฏิบัติก็ดีหรือว่าทําซ้ำๆผ่านการงานที่เราทํำประจำทุกวันก็ดีตรงเนี้เป็นสิ่งที่เราจะได้ก็เรียกว่า ค่อยๆเดินลึกเข้าไปเนาะเดินลึกเข้าไปในสิ่งที่เราเรียกว่าความเข้าใจในชีวิตของเราความเข้าใจในการของเราความในความเข้าใจในใจของเราซึ่งเราไม่เคยมีเราอาจจะมีความรู้เรื่องราวนอกตัวเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าพอเราเริ่มกลับมาดูการเคลื่อนไหวดูใจคิดนึกเนาะดูการเคลื่อนไหวดูใจคิดนึกเนาะเอาการที่เคลื่อนไหวเป็นเครื่องมือให้ใจกลับมารู้สึกตัวตรงนี้อันเนี้ เราเริ่มพอเริ่มดูเราก็จะเริ่มมีข้อมูลมากขึ้นมีข้อมูลมากขึ้นแล้วข้อมูลตรงเนี้จะเป็นข้อมูลที่ท้ายที่สุดเนี่ยก็จะกลายไปเป็นก็เรียกว่าเป็นปัญญาพาเราออกจากทุกตรงเนี้จะเป็นสิ่งที่สำคัญหลวงพ่อเกียรติเลยจะบอกบอกว่าเราเนี่ยเริ่มต้นเท่านี้แหละเริ่มต้นจากการรู้สึกตัวนี่ยแหละเริ่มต้นจากการเป็นผู้ดูตรงนี้แะสิ่งนี้จะพาเราไปะตั้งแต่เบื้องต้น เป็นท่ามการแล้วก็เป็นที่สุดซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่อยากให้พวกเราเนี่ยที่มีจิตใจที่จะปักไปนะก็เรียกว่าในธรรมปักไปในธรรมก็คือแบบว่าอยากจะได้เอาธรรมะที่พระเจา้าเนี่ยได้ให้ไว้เนี่ยคำบอกการสอนของพระเจา้าเนี่ยมาพาชีวิตของเราเนี่ยออกจากทุกข์กันก็อยากให้พวกเราทุกคนนีได้มีเป้าหมายตรงนี้ที่ชัดเจนแล้วก็ได้มาตรวจสอบกันว่าทุกในใจของเราเนี่ย ได้ถูกหยิบยกออกไปบ้างไหมนะเราได้วางทุกออกไปนอกตัวบ้างไหมเราก้จัดวางความคิดที่เป็นเพื่อนเนี้ยออกไปบ้างไหมตรงเนี้ยมันะจะเป็นสิ่งที่จะทาให้ชีวิตเราเนี้ยเบาขึ้นชีวิตเราเนี้ยจะแจ่มใสขึ้นการที่มีแม้ต่างกับคนอื่นตรงนี้เนี้ยเมื่อเราได้กลับมาได้มองมองถึงจิตใจของเราจิตใจโปร่งเราบาหรือพ่องเขียดออกมาเนี่ยเรานะเนาะแบบว่า หักเนาะก็ะเรียกว่าหักที่สําคัญก็คือหักที่เราจะแบบว่าแบบยกทุก อ, ออกไปเนี่นะยเนาะยกก็เรียกว่ายกทุกออกไปจ็ดตัวเนี่ยยออกออกไปหักเนาะหักให้ออกไปเลยนะไม่ต้องสงสัยว่าใครจะรับ ห, หรืออะไรยังไงก็ตามนะแต่ว่าหมายถึงว่าไม่ถือเอาไว้อีกแล้วเนาะเพราะนั่นคะือถ้าถือเอาไว้เนี่ยเราก็คืดอัดขัดข้องอยู่ในจัจเราแต่ถ้าหากว่าเราเนะี่ยหักที่จะปล่อยหักที่จะวางเนาะ วางออกไปให้ออกไปเนาะอย่างนั้นให้พ้นออกไปจากตัวเราเนี่ยตรงนี้เราก็จะเป็นสิ่งที่ทุกข์ก็จะได้มีถ้าเราเดียวกันถ้าเราเติมความเมตตาเนี่ยเข้าไปเมตตาจิตเนี่ยที่มากขึ้นมากขึ้นจากการเติมแต่ละพรามของเราเนี่ยทางที่สุดในวันในวันหนึ่งของชีวิตเราเนี่ยเราเองเราก็จะพบว่าทุ้งนี้เราเองเนาะเราก็ได้ก็เรียกว่าได้ทําสิ่งที่ดีงามตรงนี้เนี่ย มาเพียงพอแล้ววันที่เราจะจากโลกนี้ไปเราก็ได้มองเห็นสิ่งต่างๆว่าเออนี่เราได้พยายามที่จะทําเรื่องพวกนี้มาในระยะหนึ่งหรือว่าพยายามทำ ม, มาทั้งชีวิตเราแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบุญเป็นกุศลนะให้เราเนี่ยได้เหมือนกับไปสู่สุคติตามที่เราต้องการ ก, ารการันกะ็ลาในหวังพระจนทร์นโรนะครับผ่านะผานพวกเราปฏิบัติกันนะฮะ นิดนิดนึงครับเพื่อที่อาจารย์เบอกมาว่าความคิดเนี่ยรือสาเหตุของความทุกข์ใครเลยเชื่อยกไหนตัวไหนแะ<ส>บบหมดเลยนะ <c oughs> ใช่ไหมเระาคิดโกรธี่ก็เชื่อแล้วมันมันทุกข์เลยนะเนาะแต่แต่เราเคยมีไหมตอนไหนที่คีวิตตอาไม่ไปเจอปัญหาเจอสูปอร์ส มีคนชื่นชงการงานรารื่นพรอบออุ่นนอนดับสบายแต่ในควาคิดนี่ดีนะคิดมีความสุขแต่ใ น, นเชื่อไหมว่าความคิดมันทุกข์เจอความคิดมันสุขทีมันสุขสบายรู้สึกออะไรมันก็เป็นความคิดนะสุขสบายดีนะแต่ในเมื่อคุณรู้สึกนะว่าทีมันทุกข์นะ ไม่ค่อยก็ถือว่าความคิดมันมาเพื่อความทุขคว า, ค, ค, วาคิดมาเลยโอ้โอลูกเร า, า, า, าก็ดีดีนะครับตามนานีภรญญาเราก็ดีดีคานาเราก็เล่าพื้นเพื่อน้องมันเพื่อดีคิดที่โดยรวมถือ ว, ว่ามีความสุขมีความสบายดีตอนนั้นหลายคนก็ไม่ค่อยสนใจปฏิบัติธรรมใช่ไหมก็ร <c oughs> ู้สึกว่าไอ้ธรรมะก็อาจจะไม่จำเป็นก็ได้เพราะว่า ชีวิตโดยรงๆก็ถือว่าดีแล้วแต่เราคิดถึงธรรมะหรือว่าคิดถึงการปฏิบัติธรรตอนที่เราเจอปัญหาหรือว่าเียอความทุกข์มากๆเกิดเป็นไหมนั้นธรรมาก็ไม่เชื่ออยู่ที่ยกมือกันไม่เชื่อว่าเราได้เชื่อจริงๆว่าชีวิตเรือว่าความคิดมันมาซึ่งความทุกข์จริงๆนะเพราะว่าเก็เชื่อจริงๆนะ แม้ขน า, านดช่วงชีวิตที่มีความสุขหรือว่ความสบายดีตอนนั้นตอนนั้นเราก็เป็นประมาณในแต่แต่ชีวิตเพราะเห็นว่าไม่แต่ความสุขที่เกิดจากการคิดหรือว่าความสุขจากการมีสิ่งแวดล้อมที่มันมันค่อนข้า ง, างเอื้อทําให้เกิดความสบายหรือไม่ทุกมากนั่นก็พอที่จะเปลี่ยนไปเนาะมันก็ไม่แน่นอนแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนหรอกบางคนก็กอฝึกปฏิบัติตลอดทั้ง ทำทุกช่วงของชีวิตก็ก็มีอยู่แล้วแต่ว่าที่ว่าคนส่วนใหญ่แบบนี้แหละนะพอเรามีเป็นอาทีก็ไปอยพถึงธรรมะทีนะเมือนกับคำเมือนกับธรรมะคล้ายๆเหมือนยกแก้ปวดนะปวดหัวทีไม่สบายทีก็หากินยานะตอสบายดีก็ไม่สนใจนะที่จริงก็ก็ถูกในมุมนึ่ง น, นะธรรมะก็เหมือนเป็นยายรักษาโรคความทุกข์หรือว่ความไม่สบายใจ แต่เป็นมุมหนึ่ก็เป็นมุมเหมือนการออกํานางกายหรือว่าการดูแลสุขภาพเพื่อให้หนมไม่ทุกข์ด้วยก็เป็นมุมที่ตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญแม้ที่พีของเราหลายคนนะก็ค่อนข้างจะดีแล้วแต่สามารถี่จะเป็นสิ่งที่จําเป็นเพราะว่ามันเป็แบบนี้อเราจรู้สึกว่าเวาเราคิดไม่ดีเนี่ยเราก็อยากจะเรียกว่าปฏิเสธมันได้ง่ายหรือบางบางมันได้ง่ายส่หรับบางความคิด แต่บางควาคิดก็ยากนะฮะไอ้คิดแต่มันพุ่งเนี่ยมันอยากจะวางแต่คิดแต่มันสุขเนี่ยมันมันก็อยากวางอืมคิดแต่มันสุขมันสบายเพลินถ้าบางคนเคยปฏิบัติธรรมบางทีแม่หรือ í, นั่งสมาธิหรือว่าเดินจงกรมหรือว่าแบบไหนก็ได้แต่นะบางคนก็ทําได้สบายเรื่อยๆเพราะอะไรจิตใจมีความสุขเดี๋ยวบางทีก็โกรธมีคิดทําไมพระอาจารย์ ไม่ใชตรการนี้จะตั้งใจรุกตื่นก็ได้เทสดีจังนะทาไมโล้วัตรนี้สบายจังทำไมอบางทีเราก็คิดโอ้อยากจะเอาธรรมะไปให้ใครบ้างคิดมีความสุขคิดเพินไปก็มีนบางทีเราก็ไปบาตทําแบบนั้นก็มีนะอืมอันนี้เราบางทีเนะี่ยไอ้สิ่งที่มันไม่ดีเราจะปฏิเสธไปค่อนข้างง่ายแต่อีด้านที่ดีเนะี่ยเราไม่ค่อยอยากจะละมันหรอกเพราะว่าปเร า, าจะยึดมันไว้ แต่บางทีมันก็ไม่ได้มีแค่สองด้านด้านบวกหรือลบเท่านั้นบางทีก็เป็นกลางเป็นเฉยๆก็มีอันนี้เป็นความคิดที่มันปรุงแต่งขึ้นมาทำให้เกิดสุขบ้างทุกบ้างหรือว่าเฉยๆต่างๆบ้างอันนี้เรียกว่าเป็นเป็นเวทนาะป็นเวทนาแต่ความความคิดอาจจะเป็นเรื่องของจิตที่มันเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาอันนี้เราก็ลองฝึกเรียนรู้ดูนะ กเรียนรูด้ดูว่าตอนนี้แม้เราจะเชื่อนะเชื่อเลยตั ก, กรา้าเชื่อเลยศรัทธาก็ดีนะว่าความคิดมันมาซึ่งความทุกข์แต่มันก็เชื่อว่าหลายคนยังไม่ยังไม่ตื้นตื้จริงๆหรอกว่าความคิดมันมาตื้นความทุกข์เพราะตอนที่ความคิดมันสุขเราก็ไม่ค่อยอยากเป็นเชื่อหลอกเพราะมันจะสุบนะอะเพราะว่ามันก็เปลี่ยนแปลงไปได้แต่ก็ไม่เป็นไร แต่เราค่ไยๆศึกษาไปเรื่อยๆเด็เกความจริงว่าไอที่เราที่ว่ามันสุขตอนเนี้ยมันก็ไม่สุกตลอดไปหรอกมันมีเหรือที่จะสุกตลอดมันไม่มีน ะ, นะพระเจ้าสอนเรื่องของความทุกข์ฉะ น, นั้นเรามาศึกษาเรียนรู้จากความทุกข์ที่มันเรียกว่าสุกมันก็เป็นทุกข์ในแบบหนึ่งนะแต่เราจะตึกยังไงให้เรารู้จักว่านความทุกข์ที่แท้จริงมันอยู่ที่ไหนนะมันอยู่ที่คน ที่เราคิดถึงแล้วเราโกรธเขาไม่หรือมันอยู่ที่ใจของเราเองนะสาเหตุของความทุมกข์อยู่ตรงไหนเราก็กลับมาเรียนรู้ตรงนี้โดยผ่านการมีสตินะมีสติส่วนหนึ่งก็จะทําให้เราไม่ตกเป็นทาสของความคิดที่นํามาทุกขความทุกข์อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นการเรียกว่าไม่ยึดติดในด้านรวกวนะในความคิดที่เป็นสุขหรือว่าด้านรั่ว ก, ก็ดี เราก็ไม่หลบประมาณแม้ชีวิตเราจะ ล, าล้าพื้นหรือว่าเป็นปกติธรรมดาแล้วก็เราก็ไม่ประมาณกับชีวิตตรง น, นั้นด้วยก็สติไปทําหน้าที่เพื่อคเนี้ย น, นะทําให้เราก็ใจความจริงแล้วก็ไม่ยึดติดกับอารมณ์ตาแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะทํำใจให้มันเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์ตลอดเวลานะไม่ใช่กาสรสตินีเ่เราเรียนรู้ความจริงของของชีวิตเราเลยนะไม่ต้องเสแสร้งแกล้งทําเป็นคนดีนะ นะการปฏิบัตนี่ต้องลืมต้องลืมเลยนะว่าเราไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อจะเอาดีนะบองคนปฏิบัติเพื่ออยากจะเอาดีนะก็ติดติดการมีคนติดบุญก็มีนะหรือหลงยึดในความดีก็มีเคยไหมบางทีเราจะรู้สึกนะบางทีบางคนดีๆนะที่เรารู้จั ก, จกหรือไม้แต่ตัวเราเองนะบางทีเราก็คิดว่าเราดีกว่าเขาแต่เราจะเห็นว่าบางทีคนดีหรือเราที่เราคิดว่าเราดีนะ ทีมันทุกข์มาตัวคนชั่วนะบางคนก็ทําขิดนะบางคนก็กินเหล้านอนยา ก, กเา็เรียกว่าสนุกสนานเพลินไปกับโลกไปไปชีวิตที่เขาต้องมีความสุขสุขแบบสนุกสนานนะนะแต่บางคนนี่เป็นคนจริงจังแบบชีวิตเป็นคนทำงานก็โมแต่ชีวิตนี้ทําไมาผมคือยืดไม่สดใส น, นะหน้าตาไม่ค่อยินย้มแจ่มใสก็มีนะ บางทีเราจะเห็นได้ ว, ว่าบางทีความสุขความทุกข์บางทีมันก็ไม่ได้เกิดจากการที่เรียกว่าทําดีหรือทําไม่ดีหรอกแต่บางทีก็เกิดการวางใจนี่แหละแต่พูดนี้พูดแบบนี้ก็ไม่ใช่ว่าไปส่งเสริมให้ทําชั่วแล้วก็สบายใจนะไม่ใช่องนะเเนะพราะว่ามันเป็นเพียงแค่ความสบายใจแบบไม่รู้ความจริงจิตใจว่านะไอ้ที่ทําไปอ่ะมันส่งผลนะอย่างเช่นบางคน เนีย่ยที่อาจารย์กลุว่าบางทีพอไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยตอนไปมีแล้ก็บางทีเขาไม่จับได้ก็รู้สึกมีความสุขหรอือเปแต่พอจับได้ขึ้นมามัจะมีปัญหาในชีวิตมาใช่ไห ม, อมตอนที่กินเล่าก็ อ, อะไรเรียกว่าเก็ชีวิตมันปล่อยวางทุกอย่างมานดึงเรื่องทุกทุกอย่างไปแต่พอมันต่างขึ้นมาก็มาเจอความจริงในที่บ้านหรืออะไรตางก็งได้อันนั้นบางที หรือถ้าเราดีดเวียนดีบนาะงคนถ้าเรามีจิตที่จะขโมยของคนอื่นนะจิตที่อยากจะได้ของคนอื่นนะแค่จิตตัวนั้นจิตเราก็ทุกข์แล้ ว, แ, ลวแต่ถ้าตนไม่เห็นจิตตัวเนีนะ้มันจะรู้สึกว่าต้องได้มาถึงจะมีความสุขเพราะว่าตอนนี้มันทุกมันอยากจะได้มันทุกข์มันบีบคั้นก็เอามาให้ได้อีมันถึงจะมีความสุขก็ไปสแสดงหาตัวนั้นมาได้มาแล้วก็กลัวว่าเขาจะรู้อันนี้เกิดทุกข์ไปเอง จีบความสุขได้แค่เดียวตอนที่มาได้มาต้องมีความสุขก่ขอนได้มันึ่ก็ทุกมากหลังจะได้มาก็ทุกเพราะว่าตัาวเขาจะจับได้กลัวตำร ว, วจะตามมาทาันใช่ไหมจีบน่ะมันมีความทุกข์เราไปโกหกใครก็แล้วแ ต, แต่ตอนที่จะคิดโกหนกนี่ก็ก็มันก็เครียดแล้วนะมันเต็ดโกหกแบบไหนให้เขาจับไม่ได้โกหกไปแล้วก็ต้องจำอีกนะว่าโกหกตัวนี้แบบไหนนะเนี่ยมันมันก็ต้องน่าพอเจอหน้าแล้ว รู้สึกไม่สบายแล้วเพราะว่าเราติดตัวของเขาเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันก็ทุกันนะไม่ใช่อาจะสุขทั่วข่าวตอนที่เรื่องนั้นจะผ่านไปตอนที่เราพูดพูดปลดไปอันนี้ก็เราจะเห็นที่จริงการทําไม่ดีเนี่ยมั น, ม, น ม, มันมีทุกข์ที่ปรากฏชัดมากทั้งก่อนทําพี่จริงแม่แต่ขณะดํามาคนก็ ก, กเฟรนแล้วก็ทำได้แล้วก็มีความทุกข์แต่การทําดีนะที่จริงจิตที่คิดดีนี่ยมันมีความสุขแล้วนะ ขณะที่ทําดีก็มีความสุขจริงๆถ้าทําดีแล้วเนี่ยมันก็ปล่อยวางได้แต่ส่วนใหญ่นะคนคนทำดีจะเป็นนิยมตอนก่อนทำดีเนี่ยจะมีความสุขมนเจตนาดีขณะที่ทํำก็มีความสุขแต่พอทําแล้วเสุดท้ายมันทุกข์เพราะอะไรทําไมเราทําดีเขาแล้วเขาไม่เห็นดีเราทำไมเราทําเต็มที่แล้วทําไมเขายังว่าเราอีกมันจะเป็นแบบเนี้ยมันไม่ปล่อยวาง ไม่มีอุเบกขาเข้ามาตามบางทีเมตาลก็มีอุเบกขาเข้ามาจำกับด้วยเออก็เราทำเนี้อเนี่ยก็ธรรมดาก็มีทั้งคนชมบ้างคนไม่ชมบ้างเราก็ไม่โด่งไปเป็กับมันอันนี้บางคนเป็นคนดีก็ทุกเพระว่าตรง น, นี้แหละทุกเพราะว่าเป็นไม่ยอมรับความจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นดังนั้นจะเป็นคนดีก็ตามหรือคนไม่ดีก็ตามเนาะการที่เรา มีสติคอยรู้ทันรู้จักตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ที่สําคัญมากถ้าเราปฏิบัติไปจริงๆนะเราจะเห็นว่าคนทุกคนมันเหมือนกันแหละเริ่มเริ่มจากการเห็นตัวเองแหละเราก็มีทั้งด้านที่ดีแล้วก็ไม่ดีเช่นกันแม้แต่พระเองก็ดีแต่มาเองไม่ยอมรับเราต้องมีทั้งด้านที่ไม่ดีแล้วก็ด้านที่ดีเช่นเดียวกั น, กนทุกคนเริ่มเริมจากตรงนีกเหมือนกันมีทั้งกิเลสมีทั้งกุศลที่ในตัวของเราทุกคน แต่จะมากจะ น, น้อยแบบไหนก็อาจจะแตกต่างกันไปอันนั้นทุกคนมีแบบนี้เท่ากันคนอื่นเขาเคยทำผิดพลาดแล้วก็เคยทําผิดพลาดเหมือนกันแต่บางทีเราไปโทษเขาหรือไปโทษเพราะว่าคนอื่นเขาทำผิดพลาดไม่ได้นะแต่เราทําผิดพลาดได้ใจไหมเราจะเห็นบางทีเพื่อนเราพูดผิดนิดนึงเนีย่ยเราเราก็คือสกิลนะแต่บางทีก็จะทําดีกว่าเราหลายครั้งแล้วแต่เราก็ไปเก็บแค่ดีที่มันผิดนิดเดียว แต่ถ้าเราไปตรวจจริงเราจะเห็นว่าที่จริงแม่แต่ตัวเราเองก็มีทั้งดีงที่ดีและไม่ดีทั้งหมดนั่นแหละพอเราเรียนรู้จักตัวเราเองก็งจะเห็นว่าคนอื่นก็เป็นเหมือนเราทั้งหมดนะไม่ใช่แต่คนเท่านั้นศาสตร์ทั้งหลายก็เป็นเหมือนกันก็คือมีทั้งด้านบวกแล้ก็ด้านลบนะเอาแบบง่ายๆแตบบ่แบอบีายแบบายแบบนี้แต่ตอนนี้มันจะเห็นว่ามันมีปัจจัยหมื่อนไขอีกอย่า ง, างที่ทําให้ทําไมคนหลง ไปทําหน้าที่ไม่ดีทําไมบางคนงเรียกว่าไม่ค่อยหลงทําหน้าที่ไม่ดีก็คือทําหน้าที่ดีมากกว่าก็คือว่าการที่เรามีสติรู้ทันนี่แหละพอเรารู้ทานะเราจะย้ำใจได้ไม่ทําในสิ่งที่ไม่ดี อ, อันนี้ยถ้าเรามีสติรู้ทันนะเรจะย้ําใจตัว น, นี้ได้แต่ถ้ามีสติไม่มีสติรู้ทันก็นจะหลงนะหลงไปตาหลงไปตีหลงไปอะไรต่างๆก็ได้ แ, แต่ อันนี้จะเห็นว่าเงื่อนไขที่สําคัญที่จะทําให้เราไม่ตกเป็นทาสของกิเลสหรือว่าความคิดที่ไม่ดีคือการมีสติรู้ทันหรือเงื่อนไขที่สําคัญที่ทําให้พอเวลาทําดีแล้วเกิดการปล่อยวางได้ไม่มีที่ติดในความดีว่าเราเป็นเราดีก็คือการ ม, มีสติรู้ทันว่ามันก็เป็นเพียงแค่การกระทําแต่ก็ต้องปล่อยวางผลนี่มนเกิดขึ้นด้วยนะการมีสติเนี่ย เ, เป็นเรียกว่าเป็นเงื่อนไขเป็นปัจจัยที่สําคัญให้เราเรียกว่า มีความมีความมีทุกข์หรือจะเรียกว่าเป็นความสุขที่ปานนี่ขึ้นก็ได้นะเป็นความสุขที่แท้จริงขึ้นก็ได้นี้เป็นการฝึกพัฒนาตนเองแล้วเราตีห็นน้ว่าเราแครเมตตาท้องบอกว่าตัดทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เก็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ่นนั้นทุกคนเราเองก็ดีเพื่อนเราก็ดีคนอื่นๆที่เราไม่ได้อจากก็ดีเป็นเพื่อนทุกข์ของเราทั้งนั้น ไม่ได้สัพพะสั้งหอะไก็เป็นเพื่อนทุกข์เหมือนกันดังนั้นทุกคนมีความเสมอภาคกันที่ความทุกข์นี่มีความเสมอภาคกันที่ความทุกข์แต่ทุกคนนะแต่เราก็ได้เห็นตัวอย่างบางคนเช่นพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าต่างๆท่านก็เริ่มเริ่มจากชีวิตที่มีทุกข์เหมือนเราทุกคนแต่ท่านก็สามารถพัฒนาจนทั้งถึงซึ่งความพ้นทุกข์หรือว่าทุกข์น้อยลงไปได้ก็เริ่มเริ่มจากจุดนี้เหมือนกัน ถ้าเราเห็นนะเเราก็เริ่มต้นอย่างตอนนี้เรามีความทุกข์อยู่มีดีมีชั่วอยู่แล้วค่อยพัฒนาไปทั้งถึงความไม่ทุกข์นะหรือว่าเหนือดีเหนือชั่วก็สามารถทําได้เหมือนกันเราจะเห็นว่าเ น, นี่ยสักตภาพของเราก็เป็นเช่นเดียวกันนะเราเริ่มต้นจากเป็นเพื่อนทุกข์ด้วยกันนี่แหละเราก็จะจ่อยๆช่วยกันพ้นออกจากความทุกข์ตอนนี้เนะาะก็เป็นสิ่งที่เรามาปฏิบัติกนนะาเรเนาะก็อยากจะแนะนํา ว่าเราปฏิบัติการเนาะมีใครเคยเคยฝึกอาจจไม่เคยฝึกเจรนรสติแบบแนวหล่อเทียนมั้ยมีไหมอแบบขึ้นหนึ่งมั้ยขึ้นหนึ่งได้ค่ะหนันั่งปนอัตมาที่ก็ได้หน้าับเทียนก็ได้นะ้แเคยหรือใครไม่เคยได้ยินที่หลวงพ้อเทียนเลยมีไหม มีไหมไม่มีนะโอ้ยข้อเทียนกระดังงันก็อา่าวิธีนี้ต้องมาใส่เรียกว่าความกล้าหาญของการฝึกก็ อ, อ, อะไรไมันไม่เหมือนรูปแบบอื่นไม่เหมือนที่ท่าทางภายนอกนะแต่หลักการเนี่ย ตรงกับที่ครจ้าช่างสอนน่ะนะถ้าใครใจอ่านก็จะมีจบโดยว่อ่านสติปัญญาสูตรเนี่ยเอเมนันจะเป็นติที่เรียกว่าฝึกให้เรามีสติฝึกให้มีสติกั บ, ก, บกับการเคลื่อนไหวเลยนะอย่างที่เมื่อกี้ที่พระอาจตุ้มบอกเดินมาย้ำเมื่อกี้ว่าเราบอกว่าความเพิ่มเกิดจากความคิดเกิดจากความคิดนะแต่ยังไม่อธิบายคือถึงเรื่อ ง, ง, งความคิดแต่เรื่องต้นผมก็เรียนให้ ให้วางความคิดเกี่ยวก่อนความคิดจะดีก็ตามหรือไม่ดีก็ตามเดีย๋ยวพิ่งไปสนใจมันมาสนใจกาย ก, ายก่อนมันคิดแต่นะตอนแรกคิดเป็นค้นหาว่าสาเหตนของความพุกคืออะไรอย่าเพิ่งไปหาให้กลับมาเริ่มต้นฝึกสติก่อนหรือเราก็เาใจนี่นจะเปลียดใช่ไหมง่ายเหมือนถ้านบอกว่าเหมือนคล้ายบ้านเรามันมีหนูเข้าไปทำรังแล้วก็จัดข้าวของแล้ว ก, กินอาหารนะ หน้าที่ของเราครืออะไรเราเป็นคนเนี่ยเราจะคอยตามจับหมูมันทันไหมมัน <c ười> ไม่ทันเนาะอืมบางทีเราหน้าที่เราคือทำอะไรเราก็หาแมวมาเลี้ยงแล้วเราก็่อยให้อาหารแมวให้นมแมวรอให้แมวเขาโตแล้วแมวก็ไปจัดการหมูเองอ่มามันเป็นคู่ปรับกันดังนั้นตอนเนี้ยราเรารู้คร่าวๆว่ า, าความคิดนั้นนำมาเึื่อความทุก แต่ตอนนี้เรายังไม่ยังไม่ไปยุ่งกับความคิดเหมือนกับเราเดยไม่ไปยุ่งกับแมวไม่ไปจัด ก, การเรนะื่นั้นนะแต่หน้าที่คืออะไรสมมติตอนนี้คือหนูอ่มันเป็น ค, ความคิดจะ่าไปไปยุ่งกันกตอนนี้คือแมวมาเลี้ยงแมวกว่อนมาเลี้ยงแมวให้มันโตแล้วพอแม ว, ว, แวมันโตแต่แมวไปตะคุกหนูไปจัดการหนูอ่แมวมันขยายพันหนูก็หายไปนะเพราะว่ามันเป็นคู่ปรับกันดังนั้นนะ เรามาพัฒนาสติก่อนจะไม่ได้สนใจความคิดนะ น, นี่คือหลักการการพัฒนาสติในเรื่องต้นมันก็มีหลายแบบมีสติรู้ทันกายรู้ทันเวทนารู้ทันจิตรู้ทันธรรมอันนี้สติมีรู้จักการมีมีการรู้ได้สี่ฐา น, นฐานแรกก็คือการมีสติรู้ทันกายกา ย, กายนี่ก็มีหลายแบบ แต่ครั้งนี้หลงพ่อเขียนท่านเอากายที่เด่นๆเด่นชัดนในชีวิตประจำวันของเราบางคนจะรู้ทานเคยรู้ทางกายแบบท่านหายใจเข้าหายใจออกรู้ท้องพองยึบอันนั้นก็ได้เหมือนกันแต่ครั้งนี้วิธีการที่จะทําไงให้เรารู้ได้ทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหับเราก็เริ่มต้นจากการรู้กายหยับหยาไปก่อนนะรู้กายหยับหยาแล้วต่อไปกายละิอมันจะรู้มากขึ้นกายละเอียดก็คือนนะี่ย ยืนเดินนั่งนอนกู้เหยียดเคลื่อนไหวทำอะไรก็ได้แต่เรารู้ทันเนาะอย่างตอนนี้โยนั่งอยู่รู้สึกไหมว่าเรากำลังนั่งอืมรู้สึกแบบไหนอะไรเงี้ยอ่าเหื่อยความเมื่อยอันนั้นถามว่ารู้สึกนั่งเนี่ยรู้สึกเมื่อยเอาเห็นไหมเห็นความเมื่อย ความเมื่อย ก, กับกับการนั่งนี่มันเป็นอากันไหมคนละอันมันแยกกันยังไงไม่รู้สิม่อยเป็นาการสังเกตไหมตอนตอนนั่งตอนนาทีแรกหรืออาจจะตอนช่วงแรกๆตอนนั้นมีแต่อาการนั่งไม่มีอาการเมื่อย หรือแต่เหร่น้อยนอยนะจะเห็นได้ว่าถ้าเราเจอฝืนนะี่การนั่งก็ดีเนาะแรกๆมันไม่มีความเหนื่อยตอนหนังควมเหื่อยมันเข้ามาได้เนี่ยมันย่องเข้ามาแบบเรื่อยๆเนาะหรือบางคนก็ตะโจามาทีเดียวเลยไม่ทันตั้งตัวนะก็มีในเราจะพักกันสุดที่นะแต่เราจะรู้แบบนี้่ะรู้ว่ากายกระดังนั่งก็ได้แล้วก็ค่อยรู้ว่า ความเมื่อยหรือความทุกข์มันเกิดขึ้นกับกายอันนี้ เ, นเรียกว่าเป็นเวทนาของกายเนาะมันจะเห็นว่าไอเวทนาของกายเนี่ยมันก็ไม่ใช่กายมันเป็นเพียงแค่สิ่งที่มันเข้ามาสวมกับกายเท่านั้นเนหะ็นไหมมันเที่จริงมันคล้คายคลเสื้อผ้าที่เราใส่ในระยองนะอยนะ่าง ว, วันเนี้ยเราใส่เสื้อผ้ า, าสบายๆไม่ไปทํางานแล้วก็เหมือนมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่ม วันไหนที่เราไปใส่ชุดทํางานเราก็เป็นนั่นเป้นนี่ตามที่สมมุติที่เราเต้นใช่ไหมเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นนักธุรกิจเป็นอะไรก็ได้แต่ก็คือที่จริงเราก็เริ่มต้นจากธรรมดาทํางานเหมือนกันนี่แหละแต่ตอนหนังก็มีสมมุติที่จมาข้ออันนี้ก็เหมือนกันกายที่จริงกายพวกคนต้องมีเหมือนกันแต่มันมีสมมุติแตกต่างกันบางคนเป็นโรคมนเองบางคนไขข้ออักเสบบางคนเป็นโรคไต ก็เป็นสมมติที่แทกเข้ามาช่วงคราวเท่านั้นอย่าตอนนี้เราจะมีสมมติหยาบๆก็คือความเมื่อยเข้ามาใช่ไหมแล้ก็แค่รู้ทานว่ามันเมื่อยเนาะแต่ให้แยกว่าความเมื่อยไม่ใช่กายคือท้ายไอ้ที่เราชรบพูดว่ากายนี่เป็ของเราที่จีก็คูอแบบสมุติเท่านั้นนะก็จะเห็นว่ามันก็เป็นแค่กายเมื่อยแต่ไม่ใช่เราเมื่อยนะแต่คนส่วนใหญ่นี้จะบอกว่าเราเมื่อยเราเจ็บ แต่ถ e ้าเรามีสติเห็นจะเห็นว่ากายมันเมื่อยกายมันเจ็บหรือถ้าเจะวิสัยมากตอนนั้นก็แค่เห็นว่าความเมื่อยความเจ็บมันเกิดขึ้นกับกายที่จริงไม่ไม่ใช่กายทั้งหมดเห็นไหมบางทีความเจ็บนั้นเกิดขึ้นกับแค่หัวเขามันไม่ใช่เกิดขึ้นกับหัวใบหน้ามันเป็นแค่บางส่วนเล็กเล็กเทนั้นแต่ถ้าเราไปโฟกัสเบลอให้ข่าตอนั้นที่ตรงหัวเขาเจ็บเนี่ยมันจะรู้สึกว่ากายทั้งกายมันเจ็บ หรือว่าเร า, าเนี่ยก็เจ็บไปด้วยใจก็คอยทุกข์ไปด้วยใช่ไหมเพราะว่าเรานตั้งแต่เกิดแค่เรื่องขาเจ็บแต่มันขยายไปที่กายมันเจ็บแล้วก็เราเจ็บมันขยายใหญ่ขึ้นแต่ถ้าเราในเสด็จจริงจะเห็นว่าไอ้ใจมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่แยกกับกายกายก็เป็นส่วนหนึ่งที่แยกกับวความเจ็บปวดก็เห็นแค่ว่าความเจ็บปวดเกิดขึ้นกับกายบางส่วนเท่านั้นนี่จะอันนี้เป็นทฤษฎีมากเลยแต่ พูดไปก็คงพอเข้าใจนะแต่ในข้าวปฏิบัติเนี่ยพอมันเจ็บจริงจริงมันจะไม่ทันได้แยกอเอาเดียวนะมันจะเราเจ็บกูเจ็บนะไม่ไหวแล้วเท่ยกันะมันจะเป็นแบบนี้ทันทีอันนี้แค่จากหยาบเรื่องของกายไอเรื่องของความคิดเนี่ยยิ่งละเอียดคิดถึงหน้าเขาแล้วโกรธทันทีมันแค่ไม่แยกหรอกว่าทีต่ตอนโกรธกันมาที่หลังจิตแต่ก่อนเป็นปกติอยู่นะความโกรธต้องมาแทกที่หลัง ก็เราลไปคิดว่าความโกรธนั้นเป็นเรามันแย่งขันนะมันคิดปุ๊บโกรธปับนะ๊บบางทีเจอหน้าก็ด่าปั๊บทำ ร, ร้ายปับหรืนี้มันมันเร็วมากดังนั้นความพุกขนี่มันแทรกเข้ามาเร็วมากนั้นะแต่คราวนี้ดาบการปรึกติก็ไม่ใช่เราฝึกว่าจะให้ทุกอย่างมันช้าเราจะมาขอให้ความคิดมันใช่ช้าความพุกข์มาใช่ช้าได้หรือเปล่าให้เราได้ค่อยๆแยกแยกแยกได้หรือเปล่า ไม่สา ม, มารถเปลี่ยได้นะวิธีการเดียวคือเราต้องฝึกสติเราให้เร็วขึ้นเหมือนสมมติถ้าเราอยากเรียนหนังสือให้เก่งที่สุดเราจะมองบอกเพื่อนร่วมห้องเราว่าให้เธอไม่ต้องขยันอ่านหนังสือให้เธอทํำข้อสอบกิด น, นี่มันไม่ใช่แต่อยู่ที่เราต้องขยันอ่านหนังสือเราต้องทำอะไรให้เก่งขึ้นกนคือเราทําำด้านะั้นนะเหมือนนักกีฬาแต่จะเป็น แต่เด็กชนะเลิศเขาก็ต้องเรียกว่าอะไรพัฒนาตัวเองไม่ใช่ไปขอคุอดแขด่งเขาอ่อนอ่อนข้อให้อันนั้นก็เหมือนกันสติ ก, กับกิเลสเขาเช่นนั้นกิเลสเนี่ยเขาไม่ไคยอ่อนข้อให้เราหรอกนะเขาคอยแต่ล้มเราเราเผลอเมื่อไหร่เขาจะแทะมาทันทีอันนั้นเราหน้าที่เราคือพัฒนาสตนาินี้มากขึ้นนะอันนี้เรามาฝึกสติก่อนอย่าพุ่งไปสนใจกิเลสอย่าพุ่งไปห้ามความคิดต่างๆเนาะ ่านั่งสบายๆนะะแล้วก็อาจจะเริ่มต้นด้วยการพัฒนาสติผ่านการรู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวของกายนะนั่งรู้สึกตัวว่านั่งอยู่ก่อนนะให้รู้สึกตัวทั้งตัวการนั่งสบายๆโยงไม่ใครั้มาดูตัวเองว่ากำลังนั่งนั่งแบบไหนก็แบบนั้นแหละแต่คราวนี้ถ้าใครนั่แล้ว มันปวดเมื่อยมันไม่ผ่อนคลายมันตึงเกินไปก็ปรับสักหน่อยบางคนนั่งหลังงอจนทีก็ปวดหลังก็ยืดสักหน่อยบางคนสัมรวจหน้าตัวเองด้วยนะบางคนหน้าบางทีแก้มแก้มมันแบบเป็นเกรงวางคิ้มมันมันกระหมวดเข้ามาก็ผ่อนไปนะบางคนยืดจนทา้งปวดเกินไปก็มีนะให้สบายสบายนะพอดี อันนี้วางมือไว้ที่ตรงหัวเขา่านะวางที่หัวเข่าก็วางสบายๆเนาะรู้ตัวว่ากำลังนั่งแล้วก็วางมือไว้เช่นนี้นะโดยไม่ต้องคิดพูดในใจว่าเรากำลังนั่งวางมือไว้แบบนี้นะแต่ทีนี้เราจะดื่มตาปฏิบัตินะตามองไปข้างหน้าสบายๆไม่ต้องเพ่งอะไรไว้มองแบบแบบคล้ายๆเหมือน ไม่ใช่เหมือนกล้องที่เราแคนไปไม่ได้โฟกัสไม่ได้เตรียมจะกดอะไรนะมองไปกลกว้างรวมรวมมันก็เรามองดูรูปถ่ายแบบเต็มทั้งจอเลยนะเต็มทั้งเฟรมแบบนะี้นะเราเราก็สังเกตกายเราให้มันสบายๆนะแล้วก็คที น, นี้มีสติคอยรู้ก็คือว่าอ่ะตอนนี้ปิกมือขวาตั้งปิกมือขวาตั้งไว้มีสติคอยรู้ว่ามือพลิกขึ้นแล้วนะ มือขวายกขึ้นก็คอยรู้สึกนะมือขวาวางไว้ที่หน้าท้องก็คอยรู้คือรู้การเคลื่อนไหวนะปิดมือซ้ายก็รู้นะปิดมือซ้ายตั้งขึ้นยกขึ้นรู้วางทับมือขวารู้ไม่ต้องดับตานะมือขวาเดินขึ้นที่หน้าอกนะยกออกข้างข้างตั้งลงหัวเขา่าความลง ไม่ต้องช้ามากนะนะมือซ้ายเลื่อนขึ้นยกอออกข้างๆตั้งลมหัวเขา่าค่อมลงเร า, จ, าจะรู้ตัวขีละครั้งที่กายเคลื่อนมันมีการเคลื่อนแล้วก็หยุดนิดนึงนะพลิกมือขวาตะแคงขึ้นรู้สึกตัวมือขวานะยกขึ้นรู้สึกตัววางไว้ที่หน้าท้องรู้สึกมือซ้ายพลิกขึ้นรู้ยกรู้ วางทับมืขวารู้มือขวาเลื่อนขึ้นรู้ยกอข้างๆรู้ตัางลงหัวเขา่ารู้คว่ำลงรู้เมื่อซ้ายเลื่อนขึ้นรู้ย Heaven ่อข้างๆรู้ตั้ลงลมหัวเขา่ารู้คว่ำลงรู้คําว่ารู้สุดตัวก็คือรู้สึกว่าตัวกําลังนั่งแล้วก็ยกมือนะแต่ไม่ต้องไปพูดว่าเรากําลังยกมือ หรือไม่ต้องเอาใจไปเพ่งที่แค่มือแค่แขนนะให้รู้สึกทั้งตัวรู้สึกตัวแต่มันชัดที่การเคลื่อนไหวของของมือนั่นก็เป็นสมมุตินะอลองพลิกมือรู้ยกมือวางลงรู้นะพลิกมือซ้ายก็รู้ยกขึ้นก็รู้วางทับมือขวารู้มือขวาเลื่อนขึ้น ลองทำเลยนะโยมนะทําพร้อมอามารย์หรือผูา้จารย์ตุ้มก็ได้สำหรับผู้ใหม่แต่ถ้าใครพอจําท่าได้แล้วก็ทําเองเลยนะแต่ขอให้มีจังหวะเคลื่อนแล้วก็หยุดนิดนึงให้เรารู้เป็นครั้งเมือนเราเขียนหนังสือเขียนเป็นตัวเขียนเป็นตัวสอนไปนะเขียนทีละครั้งใส่ใจทีละครั้ง เื่อนทีละครั้งก็ดูทีละครั้งนะรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของกายนะเคลื่อนรู้สึกแต่บางบางท่ามันก็เด่นที่การสัมผัสลงมานะเช่นมือสัมผัสกัน หรือว่ามือสัมผัสตักขามันเด่นก็ตรงนั้นก็ได้นะเอาใหม่ๆคือรู้สึกการเคลื่อนแล้วก็การสัมผัสนะแต่ขอให้มีสตริรู้ในแต่และจังหวะให้มีการหยุดขั้นนิดนึงนะมันจะคิดไปเรื่องอื่นให้กลับมารู้สึกตรงนี้ก่อนกลับมาแบบคล้ายๆ ธรรมดานะเหมือนกับเราไม่ให้ค่าความคิดไม่เห็นกายกำลังเคลื่อนไหวสิ่งที่เห็นคือใจนะให้แยกกายกับแยกใจตรงนี้นะก็คือว่ากายเื่อนไหว ใจคอยรับรู้ให้แย่แบบนี้ไปก่อนทําำเรื่อยนะเปรีกายกำลังนั่งแล้วก็เคลื่อนไหวใจเป็นคนคอยรู้คอยดูเป็นกายทำแบบนี้ดูรู้ในปัจจุบันไม่ใช่รู้ในอดีตหรือว่าอนาคตไม่ใช่คิดว่าท่าต่อไปจะเป็นแบบไหนไปดูอนาคตแล้วอันะไรไม่ใช่นะทําเมื่อกี้มันบางแล้วก็ต้องวางไปแล้วก็คอยรู้ปัจจุบันมา รู้ลงที่ปัจจุบันที่การเคลื่นไหม่ของกายส่วนความคิดอย่าเพิ่งไปสนใจเขานอกจากคนที่เคยฝุดเก่าวแล้วก็นะก็ให้ทําสบายขึ้นไม่ต้องรู้กายให้มันชัดมากน ะ, น ะ, นะแล้วก็ค่อยมีสติคอยรูย้ทันความคิดหรือว่าเวทนาที่ เ, ก, เกิดขึ้นกับจิตอันนี้ถนับผู้ที่เก่าที่ความมีสติมากขึ้นก็ แล้วก็เรีกว่าไปขั้นต่อไปในการเรี่ว่ามิส ต, ติรู้ทางจิตใจหรือเวทนาด้วยแต่ตอนนี้แต่ผู้ใหม่ใ ห, ให้มาตั้งใจกับการรูกายก่อนอย่าเพิ่งไปดูไปรู้ความคิดหรือว่าอารมณ์แต่ก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้องเพิ่มจ้องเกินไปนะทำสบายที่สุดทำสบายให้ผ่อนคล า, าย ถ้าเราทําแบบสบายคอนทายเาจะทําได้เรื่อยๆแต่ถ้าเราเพ่งต้องเก่งนะก็ให้ไห้คอนทายไป่สังเกตตัวเราด้วยนะบางทีทำไปแล้วจริงเกงจรงเพ่งหายใจสั้นหายใจแบบเหมืนคนแบบหายใจไม่ปกตินะต้อง่อ น, นทายนะบางทีเราก็ไม่รู้ตัวว่าเราทํากายให้ลำบากโดยใส่ เ, เหตุ ออสัอ ง, องเกตกายแล้วก็ผ่อนคลายกายให้ไม่ได้ว่าไม่เครียดไม่เพ่งแต่บางทีมันเผลอไปเพ่งเผอไปเครียดก็แค่รู้ทันแล้วก็ปรับเนาะไม่มีใครเริ่มต้นปฏิบัติแล้วก็ถูกตลอดครับ เหมือนเราเขียนหนังสือกองไก่โดยเอวีก็ดีไม่มีใครเขียนทั้งแรกแล้วก็สวยงามเราฝึกนะฝึกไปกันให้มีสติรู้ใบ่อยไปก่อนเธอไปบ้างไม่เป็นไรก็กลับมารู้ใหม่อย่างหนึ่งก็คือว่าทำให้สบาย ในที่สองรู้ทันว่าคือไปเพ่งไปจ้องหรือว่าเครียดก็ผ่อนคลายผ่อนคลายทั้คกายหรือทั้งใจนะอีกอย่างหนึ่งนะไม่ต้องไปสงใจไปอยู่ที่มือหรือที่แขนนะให้รู้สบายๆให้ใจอิสดะอิสระแต่คอยรู้ว่ากำลังนัง่งว่าเคลื่อนไหวอยู่แต่ถ้าเราง ใจเราอยู่ที่จุ ด, ด, ดใเป็นหนึ่ง น, นะเรารู้สึกวันรู้ชัดนะชัดเจนดีชอบอันนั้นมันเรียกว่าเกริมค้ามเพ้ง น, นะในในการรู้ล่ละในไม่เราได้เพจ้องที่คนนั้นนะันาะมันชัดเราก็รู้ว่ามันชัดมันไม่ชัดเราก็รู้ว่านไม่ชัดค่าเท่ากันนะ สติคือการแค่รู้ไม่ได้ไม่ไปให้ค่าว่าอันนี้มันดีกว่ากันนะแค่รู้จับตามความเป็นจริงในขณนะนัะ้นนะกายที่ร็นแบบไหนก็เป็นแค่แค่สติที่ถูกรู้เราแยกตอบส่วนคือสจิตที่มีสติคอยเรียกว่าเป็นผู้รู้แล้วก็กายที่เคลืนไหวคือสิ่งที่ถูกรู้ แยกสองส่วนนนะี่มีมีตทางกตมีกรรมกันนะแยกตัวนี้ไปก่อนคุดแยากกายแยกใจไปก่อนการเลื่อนไหวก็เป็นเแค่กิริยาเสนะ่ะกิริยาที่ทำไปให้คอยรู้ตัว ยิ้มในน้อยก็ได้นะท่านเครียดนะจริงๆนะนะัปฏิบัติเราทำไปร่างตายเป็นแบบเช่งขืนจอได้ก็สึดขืนนะต่อไปก็เข่งเครียด ได้ใช่เายเหรือว่าเกลียดหรอกแต่สายก็เป็นแบบนั้นนะพอบอกพอตื่นเชื่อว่าจะปฏิบัติธรรมนี่มันจะทําใจผิดธรรมชาติธรรมดาละก็เหมือนปฏิบัติธรรมก็ไปอยู่อีกรูปหนึง่งก็เป็นอีกคนหนึง่งที่จริงปฏิบัติธรรมคือแค่มาเห็นควางจริงของกายของใจนะให้รู้ทันตัวเองนะบางนคนหน้าแต่ขืนแต่อีกใจ เย็นแย่ก็มีก็ไม่เป็นไรนะแต่ตอนนี้เราลองฝึกจิไปก่อนนะลองโนอัตตาก3นาทีตรง น, นี้นะ